อาจารย์มหาไปวิเวงบ้านโพนงามขั้นพักปฏิบัติอยู่กับพระอาจารย์มหาประมาณสองเดือนแล้วการจับไข้ก็ยังคืนมาขับดอยู่ไม่พอจะขาดแยมันแบบโบราณว่าไข่พ่อตาลังเกียดไข้แต่งโมโกายเย็นกินได้ไข่ามากไม้กายร้อนกินเยน็นไข่นอนจังวันสายันตะวันบ่ายสามถามกินสมอขามป้อมไข้ขี้เกียจซักย้อมตาบก็ลำบากทางกิ่นเหม็นเมื่อเป็นดังนี้จำเป็นต้องลาองค์ท่าน พ้าไปปฏิบัติคนละแห่งองค์ท่านก็ยังดีด้วยแล้วองค์ท่านทั้งหัวเลาะทั้งพูดว่าให้ออกไปทางทุ่งนาทางสกนลกนครให้ไปกลางกดกลางมุ่งอยู่กลางทุ่งเดินจงกรมภาวนาตากแดดอยู่จะลอยธาตุขันมันจะชอบอากาศตรงว่าแล้วองค์ท่านก็หัวล้ะอีกข้าพระเจ้าอดไม่ได้ก็เลยหัวล้ะไปตามดูคําเทศขององค์ท่านขามากเป็นคติไปแบบลึกๆชวนให้หวนคิดพิจารณาจับใจ จึงได้จำไว้ไม่ลืมเลยเพราะธรรมดาองค์ท่านปาลบอะไรเป็นอุบายให้ผู้ฟังมีคติทั้งนั้นไม่ใช่พูดแบบคติโลกล้วนๆมีลีลานยอยู่ในตัวแบบหยิกแกมหยอกแบบนี้ถ้าผู้ฟังรอเข้าไปแบบเลียปากจะถูกสอกกับหลังเข้าพร้อมน้บสิบไม่ลุกแบบบัรจงตรงไปตรงมานี้ก็แบบหนึ่งแบบนี้จะฝืนกระเบียดนึงไม่ได้เพราะได้ทุ่มเทแบบบรรจงแล้วแบบรูทําท่าทาทาง แบบนี้ต้องนิ่งฟังโดยเคารพจะอุทธรหรือพูดแก้ตัวในขณะนั้นไม่ได้ต้องแก้ความประพฤติของตัวลัดหลังท่านท่านหากสังเกตเองว่าท่านเท่ห์เผ็ดๆ ร, ร้อนๆแล้วมันได้ผลหรือไม่ท่านต้องสังเกตอยู่หลายวันแต่ผู้ใดโง่ก็เข้าใจว่าท่านไม่สังเกตแบบปลอบโยนนิ่มนวลแบบนี้มีสองในในหนึ่งหมดหวังหมดวิชาแล้วถ้าไม่นิ่มนวลไว้มันจะเพ่งโทษมากมันจะเป็นบาป แต่ตัดทิ้งไม่ยอมสอนอีกต่อไปนิ่มนวลแบบหนึ่งยังจะสอนต่อไปอีกอยู่แบบทำกิริยาถึงอยู่เป็นนิดแบบนี้เราต้องทำท่าไม่สนใจว่าท่านถึงใส่เราเราทำดีเลื่อยไปหากแก้ตกอยู่ในตัวแบบหนึ่งวางเฉยไม่พูดด้วยแต่ไม่ถึงไม่บึง้งแบบนี้เราแก้เราไปก็หายผู้เขียนได้ยินกับหูที่หลวงปู่มั่นเทศว่าลูกศิษย์ร้อยคนก็ต้องใช้อุบายร้อยในเพราะนิสัยต่างกัน หันมาปลาลบจะไปวิเวกคนละแห่งให้เหมาะสมกับผู้ใข่เลื่อลังขั้นบินธบาตฉันเสร็จแล้วองค์ท่านก็เขียนจดหมายฝากเจ้าตัวผู้จะไปจา่าหน้าซองว่าทรงท่านมหาผานบ้านพนงามวัดปริยัดธรรมเนื้อความในจดหมายว่าท่านมหาผานที่นับถือพระองค์ที่ถวายจดหมายนี้ออกจากสำนักหลวงปู่มั่นมาวิเวกต้องการพักวิเวกอยู่ในเขตบ้านนี้บ้านตามสมัยเท่าที่จะเป็นไปได้ และก็มีหวังจะกลับเข้าสำนักเดิมแห่งหลวงปู่มั่นอยู่ฉะนั้นจงกรุณาให้โยมทำที่พักให้ด้วยเท่าที่เห็นสมควรว่าแห่งใดจะวิเวก่อขอแสดงมาด้วยความนับถือบัวปอรับจดหมายจากพระอาจารย์มหากราบลาเดินทางองค์ท่านให้โยมไปส่งประมาณหนึ่งเส้นก็บอกให้โยมกลับเพราะทางเส้นนี้ได้รู้จักแล้วจำได้แล้วแต่เข้าไปหาหลวงปู่มั่นแต่แรงปีกายนี เดินคนเดียวไปตามสายป่าพอเที่ยงวันก็ถึงเข้าไปกราบท่านโอ้ตอนนี้ตกไปขออภัยต่อท่านผู้อ่านผู้ฟังบ้างคือตอนจะออกจากพระอาจารย์มหาบัวได้กราบวิงวอนองค์ท่านว่าเมื่อพระอาจารย์กลับถึงหลวงปู่มั่นก่อนกับผมการุณากราบเรียนหลวงปู่ว่าคุณล่าได้ลาเก้าไปที่อื่นเพราะเก่งใจเก้าเพราะสีห้าวันจับไข้อีกอันหนึ่งจะลองดีตนว่า จะกล้าเป็นกล้าตายต่อพระศาสนาเพียงไร ห, หรือพระอาจารย์เห็นดีอันใดเหมาะสมตามเป็นจริงก็แล้วแต่จะรุณากราบเรียนเทินพระอาจารย์มหาย้อนถามคืนว่าคุณเห็นประโยชน์ยังไงจึงให้ผมกราบเรียนหลวงปู่มั่นอย่างนั้นเรียนพระอาจารย์มหาว่าเพราะเก่งหลวงปู่จะเขกว่าคุณล่าไปวิเวกกับคุณมหาแล้วแตกหนีจากคุณมหาเพราะไม่ลงคุณมหา ทิฏฐิมากเหลือเกินเราจะไม่ให้คุณล่าอยู่กับเราอีกต่อไปด้วยก็อาจเป็นได้ครับถ้าอาจารย์ยิ้มแล้วพูดว่าเออคุณมีเหตุผลดีผมจะกราบเรียนหลวงปู่ตามคำสัตย์ของคุณนั่นเองกล่าวต่อเรื่องการไปถึงบ้านพลงามต่อไปอีกเมื่อถึงแล้วก็ยื่นถวายจดหมายโดยเาคารพแก่ท่านอาจารย์มหาผาน พอท่านอ่านจบแล้วท่านก็บอกโยมบิดาของท่านประกาศแก่ญาติโยมโดยด่วนญาติโยมก็ออกมาส0สิบคนเพราะเป็นเวลาเที่ยงวันเสร็ จ, รจแล้วเขาปรึกษากันโดยด่วนว่าเอาท่านไปพักปฏิบัติธรรมที่โคกตุ่มนกกทาอันเป็นผีบังบทถ้าหลงมาจึงเห็นตุ่มคือกรงนกกทาขันแจ๊กแอยู่มันมีผีดุมากในโคกนั้นแล้วเขาก็ทำกระสอบให้มุงฟางกั้นฟางมีส้วมหลุมตลอดรางปัสสาวะ ทางจงกรมเต็จในวันนั้นมีน้ําบ่ออยู่ที่นั้นด้วยไกลบ้านประมาณยี่สิบกว่าเส้นเท่านั้นเป็นป่าไม้เต็งลังสูงสูงทีทีความสะดวกทางบินทบาทก็พอเป็นไปได้บุคคลก็เป็นที่สบายพอควรส่วนการจับไข้นั้นก็เว้นสองวันสามวันก็เป็นไข่แต่ฉันก็พอฉันได้แต่ไม่หายปวดหัววันไหนไข่เขาจะมาเฝ้าก็ไม่ให้เขามาเขาจะมาผนยาให้ประจําวันก็ไม่ให้เขามา ถึงคล้าวไข่ก็ไข่อยู่องค์เดียวเป็นเพียงให้เขาเอาหินกับล่างยามาไว้ให้จะผลเองดอกส่วนมหาผานเจ็ดประโยคนั้นท่านเป็นธรรมยุทธลูกศิษย์ท่านจะคุณเทพบีวีวัดโพธิสมพร อ, อุดรธานีมีอุปัชฌาเดียวกันท่านมาพักเยี่ยมบ้านของท่านเฉยๆเป็นวัดลางท่านอยู่กับเด็กชายลูกหลานและท่านก็กว้างขวางมากท่านให้โยมบิดาของท่านมาปฏิบัติตอนเช้าฉันเสร็จจึงกลับบ้าน ท่านบอกไว้ว่าวันลงอุโบสถปาลิสุทธิจะมาลงด้วยเพราะผมอยากจะมาต่างวิเวกบ้างคุณไม่ต้องเข้าไปหาผมดอกผมจะออกมาหาเองดังนี้พอถึงวันท่านก็มาจริงๆไม่ถือตนไม่ถืออะไรเลยแต่ท่านกำลังดำลิว่าจะสร้างหลววัดด้วยไมย้เป็นเสาเลื่อเองด้านภาวนาก็ลมหายใจออกเข้าเป็นหลักตามเคยบางวันก็แผ่เมตตาพร้อมกับลมออกเข้า น้อมลงถึงทำอันไม่มีเวรไม่มีภัยด้านจิตใจก็ไม่มีความกลัวมาเป็นเจ้าหัวใจได้เลยพักอยู่ประมาณสี่วันก็มีเสือเข้ามาบ้านเขาสองตัวเป็นคู่กันมามาจากทิศตะวันออกล่องตามชายเขาล้องสลับกันตามทางชายเขามาตรงบ้านเขาประมาณห้าทุมติดติดกันห้าวันแต่พอถึงชายบ้านแล้วก็หยุดเสียงเงียบไม่รู้ว่ามันไปไหนและประมาณตีสามก็ล้องสลับกัน จากตีนบ้านออกไปเป็นลําดับตามสายที่มันเข้ามาล้องแบบบรรจงไม่หวาดเสียวเลยไกลจากที่พักไปประมาณสิบเส้นล้องขาเข้าก็ไกลกว่านั้นประมาณยี่สิบเส้นแต่ใกล้เข้ามาทุกทีล้องขาออกก็ค่อยไกลไปทุกทีตอนเช้าเขาตามมาเอาเข้าวเศษเหลือฉันเขาเล่าว่าชาวบ้านเขาวิจารณ์กันว่าแต่ก่อนไม่ได้ยินแบบนี้นี่อาหารเหลือเกินลองเข้ามาแบบบรรจง ล่องทั้งสองตัวสลับเสียงกันตามทางตรงเข้ามาบ้านด้วยชะลอยจะเป็นด้วยพระคุณเจ้ามาอยู่ที่ผีมันหวงแล้วมันบันดาลแสดงอภินิหารให้กลัวก็อาจเป็นได้นะครับตอบเขาว่าเออตั้งใจฟังให้ดีนะอาตมาจะอธิบายให้ฟังคือขณะนี้เป็นเดือนฤดูหนาวอยู่และปีนี้ก็หนาวจัดมากกว่าทุกปีน้าเกือบจะแข็งแกงที่พวกโยมห่อใส่บาดอาตมา เปิดฉันนั้นมันจับก้อนเป็นเม็ดเป็นกลุ่มๆเป็นจุดๆถ้าปีไหนหนาวจัดเสือก็เพลินโบราณอีสานกล่าวว่าปีไหนฝนจะดีเสือก็ล่องเพลินธาตุของเสือนั้นชอบหนาวธาตุของแมวก็เช่นกันมันไม่ใช่ผีๆสางๆอะไรบันดาลดอกและโบราณกล่าวย้ำว่าเสือล่องเพลินฝนจะดีในปีหน้าและปีที่แล้วมานีฝนก็ดีด้วยและก็เรื่องธรรมดาสัตว์ เมื่อมีอารมณ์ของจิตใจนึกเพลินก็แสดงความเพลินออกมาไม่ท่าหนึ่งก็ท่าหนึ่งให้จนได้แต่มนุษย์เราก็มีหลายท่าผิวปากบ้างลำบ้างฟ้อนบ้างเมื่ออธิบายให้เขาฟังดังนี้แล้วก็สังเกต ด, ดูและก็ได้ผลเขาก็เลยหยุดสนใจในเรื่องเสือลองทั้งหมู่บ้านภาษาสัตว์ปากมีมันก็ลองไปเท่านั้นเสือตัวไล่คือเสือหลงที่เจรนานอมเข้ามาภายในส่วนตัวแล้ว เสือกิเลสมันตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่รอบเมืองจิตเมืองใจอรหัตมะตรอรหะตัณฑผลจำพวกเดียวจึงจะปราบมันให้ชนะลาบคาบได้เมื่อยังมีชาติพบอยู่เพียงใดก็เท่ากับว่ายังมีเสือสิงห์งูหรือภัยอยู่ตราบนั้นความหลงอันเดียวเป็นแม่ทับให้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเสือตัวหลงเป็นเสือตัวที่ลายกาดอันนอนเมืองอยู่ในขันท่าสันดานวิปัสนาปัญญาญาณอันท่องแทะเท่านั้น จึงจะสามารถขับได้ไล่หนีเพียงสมาธิล้วนๆก็เท่ากับว่าลิ้นและยุงเท่านั้นไปกัดมันมันก็นอนอยู่ในมุ้งตามสบายไม่สะทกสะท้านเลยปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นแม่เหล็กของมรรคทั้งหลายเมื่อสัมมาทิฏฐิข้อตน้นเห็นชอบแล้วจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดสังกัโปวาจากรมันโตอาชีโววาญโม О, สติสมาธิมาอยู่ในวงแขนเองไม่ต้องสงสัย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 เหตุกับผลพืชผลของพืชกรรมผลของกรรมเหตุผลของเหตุกิริยาผลของกิริยาก็มีความหมายอันเดียวกันทั้งนั้นแต่จะไปทางดีหรือชั่วชั้นไหนไหนต้องขึ้นอยู่กับมรรคเหตุพืชกรรมกิริยาเจตนาเป็นประมาณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาเป็นวิสัยของปราชญาผู้จะรู้ได้โดยเฉพาะตาปัญญาของปราชญาแทรรู้อันใดไม่มีพลาด ถึงจะพลาดบ้างก็มีประตูแก้ได้ไม่ถึงกับนับสิทธิ์ไม่ลุกฉะนั้นทำแท้ทำละเอียดจึงไม่ขึ้นอยู่กับเมืองเดาด้นนักปราชญ์จึงยอมเคารพธรรมไม่จืดจางจึงไม่ยืนยันว่าทำเป็นตนตนเป็นธรรมเพราะเก่งจะตีตนเสมอธรรมเทิดธรรมไว้สูงกว่าตัวเสมอเสมอแม้พระบรมศาศตดาก็ยอมเคารพธรรมไม่ตีตนเสมอธรรมเป็นแต่ชจธครมว่ารู้ธรรมเลี้ยงธรรม จำแนกทำถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนพระองค์พระองค์จะรู้ได้อย่างไรจะเลียงได้อย่างไรจะจำแนกได้อย่างไรข้อนี้เป็นข้อควรคิด น, นิชา น, นจะสําคัญว่าทำเป็นตนตนเป็นธรรมจะตีตนเสมอธรรมจะตีธรรมเสมอตนจะไม่มีวันละมานะความถือตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานได้กรรมข้อจะหัวเลาะและเยอยอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องน้อมเข้ามาสอนตนสอนใจทั้งนั้น ถ้ามุ่งแต่เป็นพาละน้อมออกนอกสอนผู้อื่นโดยทายเดียวก็ขาดเมตตาตนเมื่อขาดเมตตาตนแล้วจะเมตตาต่อท่านผู้อื่นอย่างไรได้เพราะไม่มีทุนจะเอาทุนที่ไหนไปจ่ายถ้ายืมไปจ่ายดอกเบี้ยก็ท่วมทับผมมากขึ้นทวีหาไม่ทันหันมาเล่าเรื่องพักวิเวกอยู่ในที่ใดๆหันไม่ใช่สำนักบริบูรณ์ในเครื่องใ้สอ ย, ยก็ต้องเอาความพอใจออกหน้าเป็นต้นว่า การซักการย้อมผ้าเครื่องบ่มซักผ้าก็ต้องใช้ชามกะละมังใบเล็กหม้อต้มแก่นขนุนก็ต้องหม้อดินธรรมดาแต่ฝืนนั้นไม่อดเอาที่ไหนก็พอได้น้ำก็ไม่อดเพราะสมัยนั้นจะอัดตะคัดบ้างก็แต่เครื่องใช้การต้มแก่นขนุนต้องต้มหลายๆหม้อหม้อหนึ่งก็ได้สังคาติฝืนหนึ่งเท่านั้นและต้องต้มหลายๆครั้งด้วยจึงจะเสร็จแต่ละครั้งของการซักย้อมแต่วิเศกวางเวงดี ไม่ได้เกี่ยวกับผู้กับคนเรื่องน้ำร้อนตอนตะวันบ่ายก็ไม่ต้องถามหาดอกยาสีฟันก็คือไม้ชมาละฟันที่ทุบตีตอกเอาไม้โกธานนั่นเองตื่นนอนเวลาเชาเมื่อตีสามล้างหน้าบ้วนปากล้างปากล้างฟันอมน้าเข้าไปแล้วก็เอานิ้วมือเข้าสีฟันแล้วก็เสร็จกันยาสีฟันชนิดหลอดหรือชนิดผงไม่ต้องถามหาผ้าห่มหนาวก็คือผ้าสังขาติด กับผ้าจีวรเท่านั้นอุ่นหรือไม่อุ่นก็หมดหวังเท่านั้นผ้าอาบผ้าปูนอนผ้าคุ้มหมอนก็ผืนเดียวกันบ่ายสามตอนกลางวันต้องปัดกวาดให้เสร็จแล้วรีบสงน้ำรีบเข้าทางจงกรมแม้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าก็ผืนเดียวกับผ้าอาบผ้าเช็ดบาทนั่นแหละชีวิตพระป่าสมัยนั้นญาติโยมเข้าไปหาพระต้องการธรรมะอุศน์ฝบุญจริงๆ ไม่มีมายาสาไถยไปทางอบายามุกผู้หวังอบายามุกไม่กล้าเข้าหาพระด้วยซ้ำทุกวันนี้สารพัดแล้วผู้เป็นหัวหน้าสำนักก็ตับจะแตกตายแต่ผู้หวังอุทิศต่อมรลนิพานมีอยู่ทั้งเพศขลาววะทั้งเพศสมณะปะปนกันอยู่บ้างพอประทังได้จึงพอหายใจได้บ้างถึงอย่างนั้นก็ยังจะกลายเป็นหลุมฐานเพลิงไปทั่วทั้งโลกอุปสรรคเป็นยาวิเศษ เป็นตัวเหตุตัวผลให้ปวงปราดไม่สงสัยในคำที่ว่าโลกโลกทั้งโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันด้วยเป็นการช่วยเสริมให้ละอาให้นายให้คลายให้พ้นทุกจากความหลงความเข้าใจผิดของตนที่เคยหลงเคยเข้าใจผิดมาเป็นเวลาชาญนมนานเจตนาและสติปัญญาย่อมโอนไปเอ็นไปน้อมไปในธรรมอันไม่ตายศรัท ธ, ธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อปัญญา รอบรู้สิ่งที่ควรรู้เช่นรู้ว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งศรัทธาและปัญญาส่วนนี้ก็รวมพลเป็นมิตรกันพรอมทั้งวิริยะสติสมาธิเชือกที่ผูกมัดลัดลึงไว้เส้นลหลงหลงไหลไหลหล่ำๆล่ก็ขาดกะเด็นผูกไว้ไม่อยู่เลยทําอันนี้เป็นของจริงเป็นอริยะสัจธรรมฝ่ายอริยมรรคอริยมิโลสัจจะไม่ใช่ของปุถุชนอันยังหนาแน่นด้วยกิเลส ขณะที่พักอยู่บ้านโพลงามป่าแกมดงนั้นเขามาทอดบางสุกุลตามภาษาของเขาเมื่อรับของเขาโดยเขารบตามมารยาทวิธีของกองบังสุกุลให้พรเขาย่อๆแล้วได้อธิบายให้รู้จักความหมายว่าอาตมารับโดยเขารบแล้วและจะถวายต่อโดยเขารบขอให้ญาติโยมพลิกใจอนุโมทนาเป็นบุญต่อสองครั้งคือให้เอาไปถวายพระอาจารย์มหาผานที่วัดของพวกเหลานี้เถิด อาตจจมาจะเอาไวเ้เพียงเทียนไขเล็กน้อยและไม่ขีดไฟสามกับเท่านั้นในที่นี้มีได้หวังว่าจะอวดมักน้อยอวดสันโดษอะไรดอกเพราะเหตุว่าบริขารผ้าผ่อนท่อมสบายอะไระไรก็บริบูรณ์มาจากหลวงปู่มั่นและอาจารย์มหาบัวแล้วและจะพลุงพลังในการเดินทางส่วนมูลค่าปัจจัยก็ไม่จาเป็นต้องตามส่งเพราะพวกเราเป็นบ้านป่าคมนาคมไม่สะดวก คือขึ้นเขาลงห้วยการไปไปมามาก็ด้วยฝีเท้าขุกขับกว่าจะถึงแต่ละบ้านก็กินเวลาครึ่งวันหรือตั้งวันวันมูลค่าปัจจัยนี้จงเอาไปช่วยล้ววัดของพระอาจารย์มหาผานโดยเคารพเถิดโยมเอย๋ยเมื่อปารบกันอันมีเหตุผลพอแล้วก็หมดปัญหากันและกันไปโดยสุภาพเรียบร้อยดีแล้วก็พักวิเวกอยู่ที่นั่นต่อไปเวลาของวันและจีวา ก็ล่วงไปได้ยี่สิบปดวันจะย่างเข้าครบเดือนก็ลาท่านอาจารย์มหาผานและญาติโยมจะไปทถ้ำพระเวทท่านเหล่านั้นก็ไม่อยากจะให้ไปง่ายเพราะอยากจะให้ผีที่มันหวงดินดอนตอนนั้นหนีเสียก่อนได้ตอบเขาไปว่าอาตมาอยู่ที่นี้ไม่ได้เห็นมันสักทีดอกตรงนกกทาของผีก็ไม่เห็นมีและอาตมาก็อยู่พอคุ้มค่าลานพักกระสอบของพวกญาติโยมแล้ว เพราะจะจวนเวลาไปวิเวทในถ้ำเพราะนึกถึงถ้ำอยู่กุศลผลบุญอันใดที่พวกญาติโยมได้สร้างไว้แล้วในพบกัน ก, นก่อนก็ดีปัจจุบันมีก็ดีจะสร้างต่อไปก็ดีขอจงพินโยยิ่งจนถึงที่สุดทุกขโดยชอบตามความประสงค์อยู่ทุกเมื่อเกินแท้จริงเขาปฏิบัติ ด, ดีพอควรบิณฑบาตหมกหอใส่บาตรเรียบร้อยไม่ต้องตามมาส่งที่วัดเป็นปัจฉพั น, น์นานๆจึงตามมาเป็นบางครั้ง การฉันข้อฉันรวมทั้งหวานและเขา่าอยู่คนเดียวยิ่งประหยัดข้อวัดเพราะหมดที่อาศัยเองจะวิบัติมากพอใจเองไม่ได้บังคับมันมันเป็นเองแท้จริงธรรมเนียมชาวโลกผู้ใจสูงเมื่อเห็นพระไปวิเวกองเดียวเขาย่อมวิจาร์และสังเกตว่าไปปฏิบัติธรรมแทรหรือเพื่อแสวงหาอามิตรหนอการไปคนเดียวต้องปฏิบัติรักษาหลายๆด้านนิฉะนั้นแล้ว จะทําให้เขาติดเตียนวงฝ่ายปฏิบัติเรื่องนินทาเป็นเรื่องโลกก็จริงแต่เป็นเรื่องจะปฏิบัติรักษาในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยมิฉะนั้นแล้วจะเหลิงเชิงไปหมดไม่มีขอบเขตได้โดยแท้กุลระบรกุลธิดาผู้จะเดินทางตามหลังก็ไม่มีอันใดจะได้ถือเอาไว้เป็นแบบฉบับกลายเป็นศิษย์ไม่มีครูอีกแปลว่าไม่เลียนตามพ่อก่อตามครูผู้ประมาทพ่อแม่ประมาทครูบาอาจารย์ เป็นผู้อกตันอยู่ผู้นั้นนับวันจะเสื่อมซามลงทุกทีเหมือนพระจำในวันข้างแหลมนั่นเองจึงเป็นของควรคิดอยู่ทั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ใช่าศาสดาอาจารย์กรรมฐานหัวต่อสั่งและสอนให้ครอบคุมทุกด้านเป็นาศาสนาที่บริบูรณ์พร้อมมูลทุกๆประการกว่ า, าศาสนาใดๆทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและโลกอดีตและโลกปัจจุบันด้วยไม่มีาศาสนาใดๆจะทันเทียมถึงได้ ผู้ขาดจ้องขาดอยู่ทุกเมื่อด้วยและก็ไม่ได้เขียนเข้าข้างตัวเขียนเข้าข้างธรรมแต่ผู้มีธรรมเป็นหลักจึงจะรู้จักยินดีเขารลบลักปฏิบัตินัาถือพระพุทธศาสนาได้เพราะพระพุทธศาสนาทำมัธศาสน า, รร ส, า, ส, นาสังฆศาสนาสอนให้ฝังลงอย่างลงที่ใจแต่ล่างหัวใจอันลึกซึงลงไม่มีประมาณเลยแผ่นดินภายนอกหนาสองแสนสี่มื่นยอดยังมีประมาณอยู่ คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าคุณของพระพุทธศาสนานี้หาประมาณนี้ได้เลยจะย่นลงมาหาผู้รู้รู้สักเพียงใดก็ตามอันรู้ดีรู้ชอบรู้พ้นจากกิเลสทั้งพวง ก, ก็ตามก็ไม่มีประมาณอีกไม่เป็นวิสัยที่เอาเครื่องตวงในโลกสมมติโลกบัญญัติมาวัดมาตวงผ่าศูญย์ขอบศูนย์กลางได้ย้อนกลับคืนมาการลาจากที่พักป่าบ้านพลงาม มอบหมายสิ่งที่เขาเอามาให้ชายทุกๆประการฉันเช้าเสร็จแล้วก็เตรียมเดินทางไปจิตตะวันออกตามชายเขาเขาส่งพอเป็นที่ดีเพราะทางนี้เคยผ่านตอนแรงปีกไก่ที่ไปหาหลวงปู่มั่นแล้วพบพระอาจารย์ฟันแท้จริงวันออกเดินทางนี้ก็จับไข้ยอยู่บ้างแล้วแต่ไม่เล่าให้เขาฟังเพราะเกรงว่าเขาจะเป็นอารมณ์ด้วยพอเขากลับก็ตั้งหน้าภาวนาเดินตามชายเขา นกโพละดกร้องส่งเสียงใบไม้ร่วงจนปโปร่งข้างบนไม่ได้กังวลตั้งใจภาวนาพร้อมขาเก้าเดินทั้งจับไข่ทั้งเดินภาวนาไปตามไหล่เขานกดูเ่าลองเสียงดังกล้องได้ยินไกลเดินทางไปได้ถึงห้าโมงเย็นเสร็จจนถึงเขตบ้านนานกเขาพบพระอาจารย์เจ้าองค์หนึ่งสำคัญคือพระอาจารย์ฟันวัดป่ า, าธาตนาเวงท่านกำลังเดินทางมากับพระสามสี่องค์ ท่านประสงค์จะไปถ้ำฝาแดน่นมีตำรวจสองคนตามส่งท่านท่านถามว่าเอา้าจะไปไหนใครบ้างอยู่กับพระอาจารย์ใหญ่ทำไมจึงหนีออกจากท่านมาคนละทิศละทางจึงนั่งคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมทั้งปนมมือกราบเรียนท่านรวบลัดเอาแต่ใจความท่านจึงกล่าวว่าเออวันนี้คุณเดินทางตลอดวันทั้งใขรไม่สั่งเห็นใจมากจงไปพักวัดท่านาเวงก่อนนะ เดี๋ยวนี้วัดไม่มีพระผมจะให้ตำรวจสองคนนี้กลับไปส่งเดี๋ยวนี้แหละจากนี้ไปถ้ำผาเดน่นผมไปกับพระก็ได้ตำรวจเอ๋ยต่อพรุ่งนี้เช้าให้สิบโทอัมพรมาฉีดยาให้พระนะหายแล้วจึงไปวิเวกต่อไปขณะนั้นเวลาสายหยันตะวันเย็นลิบหลี่ลงรับขอบฟ้าแล้วตำรวจสองคนก็มารับเอาบริขารคนหนึ่งสะพายบาดคนหนึ่งแบกปลดพร้อมทั้งถือเอากา Nam กราบลาท่านกับพื้นดินแล้วก็ผินหลังใส่กันต่างพวกก็ต่างไปคือองค์ท่านไปทางทิศใต้กับพระข้าพระเจ้ากับตำรวจไปทางทิศเหนือข้าพระเจ้าก็จับไข้ยอยู่อย่างนั้นทางไกลประมาณสิกิโลเมตรเดินทางลัดตัดตรงขนทางเข้าหนทางหนูไฟก็ไม่มีมืดก็มืดไม่เห็นเท้า ว, ว่าจะเหยียบอะไรเสียงบุญเสียงกรรมแล้วภาวนาเมตตาเดินเพราะเกงจะเหยียบงู พอถึงท่านนาเวงก็เกือบสามทุ่มตำรวจส่งขึ้นกุติแล้วเขาก็ไปพักที่พักเขาพอประมาณสีทุ่มไข่เขาสางบ้างแต่หัวยังปวดหมับๆมับอยู่พอปรากฏบ้านเล็กน้อยวันนั้นภาวนานอนมีได้นั่งแต่ก็ไม่หลับง่ายลุ่งเชา้าตรวจ ด, ดูน้ำช้น้ำฉันยังมีบริบูบู์อยู่กวาดลานวัดห้อมกุติก็พอดีถึงเวลาพิกขาจาร์กับจากบินธบทยมใบาตามมา เอายาเม็ดมาให้ส1เอ็ดเม็ดสิบโทอำพรสั่งมาว่าให้ฉันข้างละสองเม็ดวันละสองเวลาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้พักอยู่นั้นหกเจ็ดวันไข่ก็หายขาดเบาตนเบาตัวมากแข็งแรงขึ้นโดยรวดเร็วมากรับอาหารก็มีรสชาติดีแม้ยา11บเอดเม็ดก็หมดเพียงแปดเจ้าเม็ดเท่านั้นความตั้งใจของหมอถ้าฉันยานั้นหมดไม่หายขาดเขาจึงจะฉีดถ้าทั้งฉันทั้งฉีดมันจะแรงเกินไป พักอยู่ที่นั้นอีกรวมทั้งหมดเป็นสิบเอ็ดวันสังเกตท่าขันก็แข็งแรงขึ้นมามากแล้วเหมือนไม่ได้ไข้สักทีแล้วก็ลาโยมว่าอาตมาจะลาไปถ้ำพระเวทยมใบรองขึ้นว่ารักษาหายแล้วทีนี้จะหนีไปละ่ะข้าพระเจ้าทั้งตอบทั้งหัวเลาะเขาว่าอาตมาเป็นผู้ต้องหาหลวงปู่มั่นอยู่คือองค์ท่านเทศหนักแน่นว่าใครไปวิเว่กลับมาถามภาวนาไม่ได้ความ จะเขเียวหนีไม่ให้อยู่จําพรรษาด้วยเพราะไปเที่ยวเล่นเฉยๆและพระอาจารย์ฟั้นก็บอกไว้ว่าหายจากไข้แล้วจึงไปเที่ยววิเวกอีกต่อไปดังนี้โยมเอย๋ยอาตมาไปวิเวกในถ้านในเขาในป่าในดงองค์เดียวอาตมาก็ได้บุญโยมก็ได้ด้วยไม่เสียประโยชน์ทั้งสองทางหลวงปู่มั่นได้ทราบ ข, ข่าวว่าอาตมาพักวิเวกเล่นอยู่ตามวัดเฉยๆก็เป็นเหตุให้หลวงปู่พิจารณาว่า อาตามาบิดพลิ้วต่อข้อวัดครูบาอาจารย์เฉยๆมาหลบซ่อนตัวอยู่ไม่เห็นกล้าเป็นกล้าตายอะไรอาตามาก็ถูกเข็นองค์ท่านก็ไม่รับไว้สอนเลยตัดหนทางอาตามาอีกด้วยโยมตอบว่าถ้าการนั้นก็เป็นอันว่าไปได้แล้วจงแผ่เมตตาถึงพวกข้าน้อยบ้างคั้นได้วันใหม่ฉันเสร็จก็ออกเดินทางถึงบ้านโคก ค, คาพอดีพักวัดปา่า เช้าฉันเสร็จเดินทางต่อขําถึงอำเภอนาแกแต่ยังเดินต่อไปอยู่พักเสียงนาเขาเป็นเวลาหนึ่งทุ่มพอดีน้ำมีได้อาบมีได้ดื่มมีได้ล้างเทา้าตอนกลางคืนหนาวจัดห่ผมผ้าเตียงแข็งไม่ปกเทา้าเพราะเท้ามีได้ล้างทนหนาวเอาเช้าได้เวลาไม่มีน้ำล้างหน้าและพวนปากเลยเอามือถูตาแล้วเข้าไปบินทบาทบ้านดู ฉันเสร็จเดินทางต่อถึงวัดป่าอ้อมแก้วธาตุพนมพักสองคืนแล้วไปวัดป่าเมืองเวพักหนึ่งคืนเดินทางต่อพักวัดต่อเก่าโบราณเป็นวัดลางเขา ว, ว่ามีผีดุหนึ่งคืนรุ่งเช้าบินทบาทฉันเสร็จเดินทางต่อพักวัดป่าบ้านหนองห้างหนึ่งคืนเช้าฉันเสร็จเดินทางต่อพักบ้านนาโศกได้รับข่าวว่าหลวงตามิ่งไปอยู่ถ้าพระเวทก่อนแล้วโยมบ้านนาศกพาไปถ้า และพระอาจารย์สนก็พาไปหาด้วยตกลงได้ถ้ำมะเขือจวนข่ำแล้วจากถ้ำมะเขือไปหาถ้ำพระอาจารย์สนไกลประมาณสี่สิบเส้นตกลงจําเป็นก็ต้องพักถ้ำมะเขือแล้วสัญญากันว่าพรุ่งนี้ชาวไปบินธบัตลัดกันที่ป่าละมออันไกลจากที่พักประมาณกิโลเมตรโยมเขาจะลัดใส่บาทที่นั่นว่าแล้วพระอาจารย์สนก็กลับถ้ำท่านโยมก็กลับบ้านโยม คงเราสองทุ่มจึงจะถึงบ้านเหลือแต่เราอยู่คนเดีย ว, เ ป, ยวเปลี่ยวที่สุดไฟจุดก็ไม่มีเทียนก็ไม่มีอนิจจาสับพะทุกขาในส่วนกายาแต่จิตใจนั้นนาขณะนั้นอยู่ธรรมดาเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เลยไม่ได้การตรดแผ่นดินเอียงเหมือนจอมปวกนั่งไม่ได้น่าจะคว่าลงตั้งแต่มันเป็นแผ่นดินแผ่นหินมาตั้งแต่กกุสันโถมาจนบัด น, นี้ คงไม่มีพระเนมองใดไปเป็นผีบ้าภาวนาอยู่ที่นั้นนึกขึ้นมาแล้วก็น่าขำขำหมดหนทางก็เอาผ้าอาบน้าปูวันนั้นไม่ได้สงน้าอีกซ้ำปูกับพื้นหินเยียงๆนอนผินหัวไปทางทิศใต้เอาห่อผ้าสังคาติดมนุษุนบาทตั้งไม่ได้ต้องผูกมัดติดกับต้นไม้กดก็สอดเข้ากับคอไม้ทั้งปลอกเพราะไม่ได้กงังเวลานอนเอาศอกทางขวางัดไว กับกำหนดลมหายใจพร้อมปรากฏว่านอนไม่หลับเลยตาใสาแถ๋วตลอดลุ่งอันนี้ก็เป็นภาพพดส่วนตัวอันหนึง่งนึกเห็นคลาวใดหน้าหัวเลาะตนเองมากและก็เป็นเครื่องเพิ่มความเฉียดลาบในสงสารอยู่แบบไม่เสียธรรมกลายเป็นอตีต่างยานยานในส่วนอดีตไปในตัวเป็นพยานในส่วนปัจจุบันและอนาคตได้ไม่สงสัยอดีตอนาคตเป็นเมืองขึ้นของปัจจุบัน บุคคลไม่เห็นกองทุกชัดด้วยตนเองในปัจจุบันอดีตอนาคตให้เสมอภาค ด, ด้วยตนเองชัดแล้วชั้นไหนความเพลินในสงสารจึงจะลดลงได้เมื่อความเพลินในสงสารไม่ลดลงตัณหาความทะเยอทะยานก็ไม่ลดลงทุกทางใจก็ไม่ลดลงการเดินมรรคทางปัญญามรรคภาวนาวิปัสสนาญาณก็ไม่ดูดนิโรธธรรมอันดับตัณหาดับทุกทางใจก็ไม่กระจ่าง ใช้กับคนตาฟางเดินทางแม้จะไปในรถในเรือก็มองเห็นอะไรไม่ขนาดโดยส่วนตัวได้อดีตอนาคตทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าจะเป็นของไม่มีค่าเหลิงเชื่องไปหมดโดยส่วนเดียวอดีตที่เป็นประโยชน์ก็จะได้เอามาเป็นเยี่ยงอย่างในทางดีที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะได้เข็ดหลาบละเว้นแม้อนาคตที่ตั้งสัตว์ไว้สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะได้เตรียมรักษาไว้ สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะได้ละเว้นเช่นเราเดินทางแม้ขาเราจะยังไม่ก้าวไปถึงก็าตามก็ต้องเห็นที่จะก้าวที่จะเหยียบล่วงหน้าก่อนก้าวไปผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดเพื่อพ้นจากความหลงและความเข้าใจผิดอันมึนงงไม่ยงอดีตอนาคตเป็นพยานในปัจจุบันทันด่วนให้ชัดแจ้งแม้จะมีนิสัยวาสนาเป็นสุ ข, ขวิปัสสโกก็าตามก็ต้องบริบูรณ์ด้วยญาณสาม อตีตังสยานยานในส่วนอดีตอนาคตังสยานยานในส่วนอนาคตปัจจุบันนางสยานยานในส่วนปัจจุบันยกอุทาหอนเช่นเห็นตรายลักษณ์ในปัจจุบันชัดตรายลักษณ์ในอดีตอนาคตก็มาเป็นพยานกันเสมอภาคเมื่อมีพยานสองปากนิใช่พยานเท็จปัจจุบันก็ตัดสินพร้อมทั้งพยานเพิ่มเข้าอีกอยู่ในตัวไม่ว่าจะไปในทางดีหรือทางชั่ว โลกียะหรือโลกุตตะระอดีตอนาคตย่อมเป็นเมืองขึ้นของปัจจุบันทั้งนั้นเว้นอัลหันเสียเพราะพระอัลหันไม่ติดข้องอยู่ในการทั้งสามแม้จะเอาการทั้งสามมาใช้อยู่แล้วแต่ก็ใช้แบบไม่ติดน้ำค้างบนใบบัวแต่ไม่ติดใบบัวถึงน้ำจะตกออกจากใบบัวน้ำก็หาได้เป็นกังวลในใบบัวไม่ใบบัวก็ไม่ได้ยืนยันว่าหนักมากเพราะน้ำมาค้างเรา และก็ไม่ยืนยันว่าเบาแล้วเพราะน้ำตกออกไปจากเราย้อนคืนมาแก้ปัญหาที่ยังข้างแขวนอยู่มีปัญหาว่าอดีตอนาคตก็คือปัจจุบันนั่นเองไปลองเรียกเชื้อเฉินก็จริงอยู่แต่ขยายตนเองออกให้เป็นสามธรรมะมกับปัจจุบันโยงกันเข้าลงรอยกันเพราะไม่ถือว่าเป็นของยากและหนักใจและถือว่าเทศให้ตนฟังด้วยไม่หวังเอาคะแนนใดๆในโลกภายนอกด้วย เมื่อปัจจุบันนาการแตกฉานในนิทานของเจ้าตัวอยู่แล้วอดีตอนาคตก็ต้องรู้เท่าทรนเทียมถึงเลยกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยและขบให้แตกได้ทันช่วงทีง่ายได้โดยด่วนถ้ำอัตตะกิลมะถานุโยกหวนมาปาลดติดต่อการเดินทางต่อไปเช้าพอได้เวลาก็ออกมาจากถ้ำมะเขืออันเป็นถ้ำทรมานอัตตะกิลมะถานุโยกนอนได้เอาสอบขวาสักดินคำไวตลอดลุ่งนั้น มาลักบินสบาตพระอาจารย์สนฉันเสร็จแล้วล้างบาทเสร็จเรียบร้อยเรียนท่านว่าถ้ำที่พักคืนนี้เรียกว่าถําจนตลอกก็ได้เพราะขํามจนเวลากะผมนอนได้เอาศอกงัดไว้ตลอดคืนตาใสแจ๋วนอนไม่หลับนอนกําหนดลมมีสติอยู่กับลมออกเข้าพร้อมกับศอกที่ขําดินไว้ต่างก็พากันหัวลอกกันสาทุกกะผมนึกเห็นถ้ำผาแด่นพราะแรงตีกายก่อนเข้าไปหาหลวงปู่มั่น ได้ไปพักอยู่คืนหนึ่งได้อ่านสถานที่ออกแล้วเหมาะสมทุกประการและปีนี้ระหว่างผมผ่านมาก็พบพระอาจารย์ปั้นที่ใกล้บ้านนานกเขาองค์ท่านว่าจะไปถ้ำผาแดนแต่เดี๋ยวนี้ท่านคงกลับวัดป่าท่า น, นาเวงแล้วก็อาจเป็นได้เพราะทางสกล น, นครติดต่อท่านอยู่หรือมิชนันท่านคงจะย้ายที่ไปหาถ้ำอื่นก็อาจเป็นได้เพราะองค์ท่านมีพระไปด้วยสองสามองค์ถ้ำผาแดนนี้ เท่าที่กระผมสังเกตตามที่ได้เห็นแรงสีกายนี้ถ้าอยู่องค์เดียวก็เหมาะมากนักทางบินทบาทไกลร้อยเ้นขึ้นอำเภอเมืองสกล น, นครนั่นเองจากตัวเมืองไปถึงถ้ำก็ อ, อยู่ในระหว่างอย่างมากก็สี่ร้อยเนฉะนั้นกระผมจะได้ลาไปวันนี้ขอรับองค์ท่านก็ให้พร อ, อันดีทุกประการแต่ต้องกลับวัดป่าบ้านนาโศกเสียก่อนเพราะหนทางหลังภูเขาล่องไปตามยาวของภูเขาไม่มี มีแต่ทางชายเขาพบพระอาจารย์ฟั่นที่ถ้ำบ้านไทยกราบลาองค์ท่านแล้วก็ลงภูเขามาพร้อมโยมที่ไปลัดใส่บาทบนภูเขาพอลงมาถึงใกล้วัดป่าบ้านนาศกก็เลยไม่เข้าพักวัดให้โยมชาลีตามส่งทางล่องชายเขาตรงทิศตะวันตกโยมไปส่งประมาณหนึ่งกิโลเมตรพอจะไม่หลงแล้วก็ให้โยมกลับเดินองเดียวเปี่ยวปล่าตามชายภูเขาไม่เศร้าโศก บริโภคภาวนาพร้อมกับขาเก้าหน่วงนาวธรรมบริกรรมติดต่อจดจ่อเป็นจังหวะไม่ขาดระยะวิเวกวังเวนจักรจันร์ล่องเพลงตามต้นไม้เป็นระยะระยะไปพบปะเด็ดจับจักรจันร์ถามเขาว่าไปทางนั่นถูกไหมหนูเขายกมือชูชี้บอกขอหลวงพ่ออย่าได้เปลีกออกจากทางเดิมทางเส้นนี้แหละผ่านบ้านนานางสีเดินถึงข่้มพอดีก็พักบ้างคอตื่นเช้าบินธบาติฉ่ำเสร็จก็เดินต่อ พักวัดล้างบ้านนาสีนวลสองคืนสมัยนั้นวัดดอยธรรมเจดีกําลังเริ่มสร้างมาในระหว่างสองปีลาจากบ้านนาสีนวลเดินทางข้ามเขาบ่ายสามโมงเย็นถึงวัดป่าบ้านเต่า ง, งอยลาจากนั้นเป็นวันใหม่ฉันเสร็จเดินทางถึงบ้านไผ่ประมาณเที่ยงวันได้ทราบว่าพระอาจารย์ฟันมาพักอยู่ถ้าบ้านไผ่หลายวันแล้วองค์ท่านย้ายจากถ้ำผาแดน่นเขากล่าวว่า องค์ท่านลงมาจากถ้ำบินทบาตบ้านไผยนี้ทุกวันองค์เดียวหมู่ของท่านกลับวัดหมดแล้วพอได้ยินเขาเล่าอย่างนั้นก็นึกในใจว่าเราจะผ่านไปถ้ำผาแดนเลยก็ไม่เป็นธรรมอีกเราก็สองแวะองค์ท่านเขาบอกล่วงหน้าว่าจากบ้านนีขึ้นไปหาถ้ำพระอาจารย์ฟันทางไกลเจ็ดสิบเส้นเอออาตมาก็จะขึ้นไปหาองท่านว่าแล้วเขาก็ไปส่งทางประมาณสองเส้นกว่าง แล้วก็บอกให้เขากลับเดินไปอีกนานพอสมควรก็ถึงถ้ำองค์ท่านอยู่ขณะนั้นองค์ท่านกําลังสารคลุไว้ตัดน้ำอยู่องค์เดียววางบาดไว้ที่ควรแล้วผมผ้าเวียงบาทเข้าไปกราบองค์ท่านองค์ท่านทักทายว่ามาจากไหนเลียนท่านว่ามาจากถ้ำมะเขือนึกว่าจะไปถ้ำพระเวทแต่หลวงตามิ่งอยู่แล้วก็ไปหาถ้าได้ถ้ามะเขือข่ำข่จนเวลาก็ยอมนอน แผ่นดินที่นอนเอียงมากและสถานที่ก็ไม่เหมาะสมนอนอยู่คืนหนึ่งก็เลยจากมาครับองค์ท่านกล่าวว่าเออผมย้ายมาจากถ้ำผาแดนมานานแล้วหมู่ท่านอาจารย์กว่าพากันจับวัดหมดแล้วถ้าหากว่าท่านอยากอยู่กับผมผมก็ไม่ขัดข้องเลยจงพิจารณาดูตามสะดวกเถิดแต่องค์ท่านแล้วก็ไปหาที่พักเลยได้หินดานกลางแจ้ง ไม่ได้กางกลดและมงเลยปูผ้านอนหินดานเลยและน้ำก็อดอีกไม่ได้อาบน้ำเลยในวันนั้นเพราะเกงจะหมดไปจากองค์ท่าน